นี่แหะอันนี้พระพองค์บอกว่ากรรมกรรมของโมกคลาในอดีตชาติโมกคลาเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ในอดีตชาติแต่นั้นพระโมกคลาจึงใช่กรรมที่ตนได้กระทาไว้ก่อนหน้านี้ก็ถูกฆ่ามามาไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติแล้วเพราะว่าการทํากรรมจุดนั้นคราวนั้นทํากรรมหนักมากแต่ว่าอนันตเรียกรรม ข้าบิดาข้ามารดาจจัดเข้าในอนันตริยกรรมมาห้าอย่างมาทุขาดข้ามารดาปิาดทุคาตข่าบิด า, อ ร, าอรหันตะคาดข้าพระหันโลหิตตุบาททำลายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตให้หอสังกเพทยุโยงสงให้แตกกันแต่ทุกวันนี้การยุโยงสงให้แตกกันต้องระวังระวังเหมือนกันนะ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 พอมาถึงชาติปัจจุบันนี่ก็โจรก็ฆ่าท่านที่เมืองที่กรุงแขวเเขต แ, แขวงกรุงราชคฤห์เมืองกาฬสีลาเป็นให้เขาว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของกรุงราชคฤห์ น, นั่นนะพระพุทธองค์ก็ตาัดว่าโมฆร า, าสมคุณสมควรตายแก่กรรมที่ตนได้กระทำไว้พระพุทธองค์จะทำยังไง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 ไปสร้างวัดอยู่ในไปอยู่ในชนนบทคนทั้งหลายเขาเขาเาลบนับถือเลื่อมใสเพราะเขาไม่มีพระแต่นีพระอัครสาวกทั้งสององค์ท่านก็เลยปรีกไปวิเวกไปกขาบอกว่าโกกาลิกท่านไม่ต้องพูดนะเราจะมาขอจำพรรษาในที่นี่ในระแวกนี่ละท่านอย่าพูดว่าเรามานะท่านพระโกกาลิกก็ไม่พูด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 เราจะไม่กินเหล้าเราจะไม่ดื่มสุราเราจะไม่ให้ขาดสติคัญชายาฟินเฮโรอีนทั้งหลายทั้งปวงยาเสพติดทั้งหลายยดึดเราให้มีสติสัมปะชัญญาอยู่กับตัวเองอันนี้แหละคือกายส่วนใจของเราก็ข้าพเจ้าจะไม่คิดโรคพยาบาทอาฆาตคนอื่นเขาเห็นผิดจากทํานองครองทำ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 ในหลักธรรมเพราะนั้นพวกเราอย่าไปหูหนวกตาบอดยืนยันข่าไม่เชื่อตายแล้วสูตรมาเห็นใครมาบอกใช่มนใครจะมาบอกร่างกายมันตายหลวงพ่อเปรียบเทียว่ะร่างกายเหมือนกับรถนะพี่น้องลูกหลานนะแต่จิตใจนะ่ะเหมือนกับคนขับรถนะรถคันนี้นะ่ะเผาไฟทิ้งแน่ๆไปเอาเข้าวหงชุวยแน่ๆอีกสักวันหนึ่งแต่โซเฟอร์นะ่ะจุดนั้นนะ่ะ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 เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วรวยใจถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังอีวะโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วโวยโซเฟอร์ในเมื่อโซเฟอร์ขึ้นรถคันนี้เนะี่ยขับรถไปเนะี่ยเหยียบคันเร่งก็จะตาดเครื่องและเหยียบคันเร่งหักพวงมาลัยไปชนกาแพงก็ได้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 ลกศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอนให้เชื่อนี่เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อน่ะไม่ใช่มีอะไรก็เชื่อไปหมดไม่ได้เดี๋ยวลงพ่อได้ยกพูดว่าดูก่อนสารีบุตรนะที่เราตถาคตพูดไปนี่ท่านเชื่อไหมยังก่อนพระเาา้าค่ะเพระข้าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติดูในเมื่อข้าพระ อ, องค์นำไปปฏิบัติแล้ว